พุทธศาสนาเป็นเรื่องของชีวิตไม่ได้มีอะไรนอกเหนือไปจากนั้นชีวิตก็มีกายและก็ใจสิ่งที่แวดล้อมกายกับใจก็เป็นผู้คนสังคมธรรมชาติพุทธศาสนาก็เป็นเรื่องที่นำพาให้เราเกี่ยวข้องกับกายและใจตลอดจนผู้คนที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง สิ่งที่เหลือนอกนั้นมันก็เป็นส่วนประกอบให้เราเข้าใจพุทธศาสนายอย่างถูกต้องให้เข้าไปถึงเนื้อถึงตัวส่วนใหญ่ก็ไปติดอยู่แค่เปลือกนอกเลยเพราะพิธีกรรมพิธีกรรมนี่ก็สาคัญนะแต่ว่าอย่าไปเอาผิดเอาถูกกับพิธีกรรมมากเกินไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของประเพณี ต่างถิน่นต่างที่ก็ไม่เหมือนกันอย่างบ้านเราเวลากราบก็กราบแบบเบญจางคปดิษฐ์ก็ถือว่างามแต่ว่าถ้าเป็นอย่างประเทศที่เบตถ้ากราบเพื่อแสดงความเคารพสูงสุดนี่มันต้องกราบอัฐถางขปดิษฐ์อัฐถางคือแปลว่า8ก็คือกล่มกราบทั้งตัวเลยเอามือแผ่ไปข้างหน้าแล้วก็กราบไปทั้งหมดให้หน้าผากจดพื้น แล้วก็ท้องก็จดพื้นด้วยอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการแสดงความเคารพอย่างเต็มที่การนั่งก็เหมือนกันอย่างบ้านเราพับเพียบก็ได้หรือว่านั่งขัดสมาธิก็ได้คนเขเมรเขาเคยมาเมืองไทยเขาตกใจมากเลยที่เห็นคนไทยนั่งขัดสมาธิโดยพระผู้หญิงนั่งขัดสมาธิในวัดในวิหารในโบสถ์เพราะว่า ในประเทศเขามันไม่มีแบบนี้หรือว่าไม่สุภาพแต่ว่าถ้าเข้าไปลังกานี่ก็จะตกใจมากขึ้นเพราะว่าลังกานี่เวลานั่งไม่ว่าพระหรือโยมโดยเฉพาะพระนี่เวลานั่งเขาไม่นั่งพับเพียบแล้วเขาเอาเท้าสองข้างเนี่ยมาวางไว้ข้างหน้าเลยเรียกว่าเป็นการนั่งแบบกระยงก็ได้แต่มันไม่เชิงทีเดียวเท้าสองข้างมาวางไว้ข้างหน้าไม่มีการเก็บทั้งสิ้น เวลาเวลาจะสวดมนต์ก็เอาศอกสองข้างนี่วางไว้บนเขา่าสําหรับเราก็ดูว่าไม่สวยแต่เขาว่าไอ้อย่างงี้แหละที่เป็นแบบพุทธการแท้นี่มันเป็นเรื่องของรูปแบบนะที่ไม่เหมือนกันไม่ต้องพูดถึงเรื่องการมีโต๊ะหมู่บูชาการาจุดทูป ก, กี่ดอกปักทางซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายถกเทียงกันนะ หรือว่าการกรวดน้ํากรวดยังไงกรวดแห้งไม่แห้งนะกรวดตอนไหนทําแล้วกวดเลยหรือว่ามากรวดทีหลังได้ไหมไอสิ่งเหล่านี้นี่มันเป็นเปลือกนอกมันก็มีประโยชน์อยู่แต่อย่าไปติดจนกระทั่งลืมไอสิ่งที่เป็นสาระก็คือเรื่องของการพัฒนาชีวิตจิตใจของเราแม้แต่การห้องหลักธรรมอริยสัจสี่ กมวิหารสีมักมีองค์แปดายแห่งก็เป็นเน้นตรงนี้คือต้องท่องให้ได้จะรู้ศาสนาจะเข้าใจพุทธศาสนาต้องท่องให้ได้อันนั้นมันไม่สำคัญเท่ากับว่าได้ปฏิบัติหรือเปล่าบางคนท่องไม่ได้ชาวบ้านคนท่าคนแก่ท่องไม่ได้หรอกแต่ว่าชีวิตของเขามันสอดคล้องกับธรรมะในพุทธศาสนาสอดคล้องยังไงนะก็คือว่าเขามีการให้ทาน การให้ทานเป็นชีวิตจิตใจของเขาเขาไม่ได้ให้ทานแต่เฉพาะกับพระคําว่าทานเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าใช้กับพระไม่ได้จะใช้กับพระต้องเรียกว่าทำบุญทานนี่ต้องใช้กับคนจนใช้กับสัตว์อันนี้ก็ไปเข้าใจอย่างนั้นที่จริงทานนี่หมายความว่าสิ่งที่เป็นวัตถุจะถวายใครจะถวายพระหรือว่าจะให้สัตว์ให้คนจนก็คือทาน ไม่งั้นเราไม่มีคำว่าสังฆทานนะสังฆทานก็บอกอยู่ในตัวอยู่แล้วว่าคือทานที่ถวายสงเจนี้เราลังเกตคํคำว่าทานเพราะคิดว่าการให้ทานคือการให้คนจนพอใช้คาว่าทานกับพระก็นึกว่าพระเป็นคนจนอันนี้เป็นความไข้เขลเหมือนกับเวลานี้คำว่ากินพูดไม่ได้ต้องพูดคำว่าทานมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะ ไปไปมาคําว่าทานแทนที่จะแปลว่าให้กลายเป็นว่ารับเข้าไปเอาทานอาหารหน่อยสิทานตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ให้แล้วมันคือการเอาใส่ท้องซึ่งเป็นความหมายที่ตรงข้ามทานคือการสละไม่ใช่เอาใส่ปากมันมีแต่จะต้องให้เข้าไปเยอะๆและให้ทานนี้ก็เพื่ออะไรนะไม่ใช่เพื่อรวยไม่ใช่เพื่อถูกหวย คนไปเข้าใจว่าเออให้ทานหรือทําบุญนี่ก็เพื่อได้มีบุญเยอะๆเหมือนกับเป็นการสะสมคูปองสมนาคุณสะสมบุญมากคือเหมือนกับสะสมคูปองเสร็จแล้วก็ไปแลกเอาตัวรถทั์ไปแลกเอารถเครื่องรถยนต์นนเดี๋ยวนี้เราไปเข้าใจว่าการทําบุญคือการสะสมคูปองสมนาคุณมันก็เพิ่มกิเลสเข้าไป แต่ที่จริงฐานนี่คือเพื่ออะไรก็คือเพื่อประโยชน์ของการอยู่ร่วมกันคือคนเราต้องแบ่งปันกันเพราะพุทธเจ้าตรัดว่านอกจากการแบ่งปันกันแล้วมนุษย์หาที่พึ่งอย่างอื่นใหม่มนุษย์เราจะอยู่ได้ด้วยดีก็ต้องมีการแบ่งปันคือคือการให้การให้ก็ทําให้สังคมอยู่ได้กันอย่างเป็นสุขและขณะเดียวกันมันก็มีหน้าที่หรือมีประโยชน์คือการลด ลดละ ก, กิเลสลดละความเิ่งแคะตัวของคนให้ด้วยยิ่งให้ก็ยิ่งลดละ ก, กิเลสลดละความเิ่งแคะตัวแต่ถ้าให้ไม่เป็นมันก็ไปเกิดความหิ่งแคะตัวมากขึ้นคือเกิดกิเลสบางคนให้เพื่อจะได้ไปสวรรค์บางคนให้เพื่อจะได้หน้าการให้เหล่านี้มันเป็นการให้ที่ไม่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนา เขาจะตรัสว่าฐานที่พระองค์ไม่สรรเสริญคือฐานที่ยังมีจิตเยื่อใหญ่ยังมีเยื่อใหญ่ฐานที่ยังมีจิตผูกพันให้ไปแล้วก็ยังผูกพันกับของนั้นถวายอาหารให้กับพระก็ยังคอยดูว่าพระจะชันของเราหรือเปล่าในความเป็นของเรานี่มันยังไม่สละออกไปสักทีให้ก็คือให้จริงๆเปลี่ยนจากของเราเป็นของเขาไม่มีของเราอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นเงินไม่ว่าจะเป็นอาหารแต่เดือนนี้เราก็ยังมีเยื่อใหญ่ มีความผูกพันให้แล้วก็ต้องเขียนชื่อเราด้วยนะบนประตูหรือว่าใต้จานเพื่อประกาศกิตติคุณของเราการให้แบบนี้เป็นการให้ที่พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญเพราะว่ามันยังเจือด้วยกิเลสแม้แต่ให้เพื่อสวรรค์เพื่อไปสวรรค์ก็ยังเป็นสิ่งที่พระองค์ไม่สรรเสริญด้วยซ้ําันั้นถ้าให้ถ้ถูกต้องเนี่ยที่รศัตว์บริสสถาน สับปริสทานคนไทยก็ไม่คยรู้จักเท่าไหร่เท่างน้นที่ให้กันเยอะแต่ว่าสั์ปริสทานคือทานของสัตบุรุษนะคือการให้ของที่ควรของที่ประนีตให้ของที่เหมาะกับผู้รับรวมทั้งรู้จักวางใจให้เป็นเมื่อให้หรือก่อนให้ก็มีจิตใจเบิกบานให้เสร็จก็จิตใจผ่องใสไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องกังวลว่าพระท่านจะเอาของที่เราให้นั้นไปทําอะไร ให้เราทำใจแบบนี้มันก็จะเป็นการปล่อยวางฝึกการปล่อยวางได้เนะมื่อให้ทานแล้วนะมันก็ต้องพัฒนาต่อไปก็คือดูกายดูใจของเราเริ่มจากเรื่องของกายเรื่องของวาจานะก็ต้องควบคุมต้องพัฒนาไม่ให้ไปเบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนไม่พอนะต้องเอื้อเฟื้อด้วยนะสีลห้านี่มันเป็นแค่เกณฑ์ขั้นต่ำนะคือไม่สอบตก แต่ไม่ใช่ว่าแค่ศีลห้าพอมันต้องทํามากกว่านั้นนะคือว่าเสียสละเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือการช่วยเหลือผู้อื่นที่เรียกว่าวัยวัตจำไมก็เป็นบุญอย่างหนึ่งไวยวัตจำไมนี่ก็ถือว่าเป็นพรหมจรรย์ได้อย่างหนึ่งเหมือนกันนะพรหมจรรย์ในที่นี้แปลว่าชีวิตอันประเสริฐซึ่งมีความหมายหลายแงย่ไม่ได้หมายถึงการไม่ไปเสพการไม่ไปเสพเมถุนธรรมอย่างเดียวแต่หมายถึงการ ทำความดีเช่นการพอใจในคู่ครองของตัวที่เรียกว่าสัทธาและสันโดษพอใจยินดีในคู่ครองของตัวไม่ไปล่วงเกินคนอื่นเขาอันนี้ก็ถือว่าเป็นพรหมจรรย์ได้หรือว่าช่วยเหลือส่วนรวมก็ถือเป็นพรหมจรรย์ได้และสุดท้ายก็ต้องภาวนาแล้วคนนี้จากทานแล้ศีลแล้ภาวนาภาวนาก็คือเป็นเรื่องของจิตใจอบรมอบรมก็อบรมได้หลายอย่างอบรมให้มีเมตตาก็เรียกเมตตาภาวนา อบรมให้เกิดความไม่ประมาณและลึกอยู่เสมอว่าเราสามารถจะตายได้ทุกเวลาก็ได้อบรมใจให้ไม่กลัวความตายเครื่องมรณสติภาวนาอบรมจิตใจให้มีสมาธิก็เรียกว่าสมถะหรือสมาธิภาวนาถ้าต้องการเจริญสติก็เรียกว่าสติปัฏฐานเจริญสติปัฏฐานเรื่องของการฝึกจิตฝึกใจก็ทําได้ไ ห, ไหลายอย่างนะแต่ว่าสิ่งที่เป็นหัวใจ ของการภาวนาในพุทธศาสนาคือสติปัฏฐานนั่นเองคือการดูใจการดูจิตดูใจนี่อย่าไปนึกว่านะมันเป็นเรื่องยากแม้แต่เด็กๆ ก, ก็ทำได้อย่างที่เคยเล่าแม่นี่ตกใจลูกเก้าขวบมาขอซื้อ microphone. ไมโครโฟนไมโครโฟนนี้เด็บปักแล้วมันร้องเพลงได้แม่ถามว่าราคาเท่าไหร่มัน400บาทเด็ก9ก้าขวบจะซื้อ ของจากร้านในโรงเรียนต้อง400บาทอยากได้หลือเกลนลบเล่าแม่ก็เลยต่อรองว่าถ้าอยากได้ก็ต้องรอนะแม่จะหักค่าขนมใส่กระปุกไว้วันละครึ่งหนึ่งนะค่าขนมก็วันละ20บาทก็หักไปวันละสิบาทสิบาทเดี๋ยวเดือนนึงก็ได้เองปกติเวลาลูกมาขอหลายคนก็ตัดลาคาญก็ให้เงินไปเด็กก็เลยเคยชิน รู้ว่าถ้าลบเล่าแล้วต้องได้ก็เลยลบเลาใหญนะ่แต่ถ้าเราฝึกให้ดีมันก็สามารถทำให้เด็กเขารู้จักคอยได้แล้วแม่คนนี้เขาไม่ได้ให้เด็กคอ ย, อยเดี๋ยวเขาบอกว่าเนี่ยทุกวันนะให้ลูกนะไปไปที่ร้านนะั้นแล้วก็ดูไมโครโฟนตัวนั้นนะดูเช้าดูเย็นก็ได้จะจับก็ได้ดูไปด้วยแล้วก็ดูใจไปด้วยนะว่าเรารู้สึกอย่างไรเรายังมีความอยากอยู่หรือเปล่าอันเด็กก็ทาตามที่แม่บอกนะไปดู ไมโครโฟนที่ร้านล้านมาอยู่ในโรงเรียนก็ดูเช้าดูเย็นดูไปได้สีหวันก็บอกว่าแม่ไม่เอาละนายถามว่าทําไมบอกว่าของมันแพง400บาทนะแล้วที่สำคัญคือบอกว่าเบื่อแล้วนะเบื่อแล้วแม่ก็ใจถามต่อว่าทําไมถึงเบื่อก็ดูทุกวันดูทุกวันมันก็เบื่อไปเองนะแล้วทําไมทีแรกอยากได้อยากได้ก็เพราะว่ า, ามันสวยนะมันไม่เคยเห็น การที่เราสอนเด็กให้เขาดูใจดูความรู้สึกของเขาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าเด็กเวลาอยากแล้วเด็กเขาไม่รู้เขาอยากแล้วใจเขาก็ไปอยู่กับของแต่ว่าเขาลืมดูใจของตัวพอดูใจก็จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของใจความเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกนะวันแรกที่อยากแต่ต่อต่อไปความอยากก็ค่อยจางคลายไปมันเป็น น, นิจจังมันไม่เที่ยงก็เหมือนกับเพลงนะเหมือนกับหนัง ฟังใหม่ๆดูใหม่ๆก็สนุกแต่ดูไปดูไปดูซ้ำไปซ้ำมามันก็ไม่สนุกลวอาหารที่อร่อยก็อร่อยเฉพาะคำแรกหรือมื้อแรกแต่พอกินไปกินไปลองสังเกตดูเถอะมันก็เริ่มเฉยๆแล้วที่อร่อยก็เฉยๆแล้วที่เฉยๆก็กลายเป็นเบื่อกลายเป็นเอียนเนี่ยคนเราถ้าเราลองฝึกดูใจเราก็จะเห็นลว่าเออไอความรู้สึกในคิของเรานี่มันเอาแนอเอาน อ, นอนไม่ได้ วันนี้ดีพรุ่งนี้แย่เรื่องการดูใจนี่นะถ้าเราฝึกดีๆแม้กระทั่งเด็กตัวเล็กๆ เ, เนี่ยก็ทำได้รวมทั้งเรื่องสมาธิด้วยเคยมีเด็กคนหนึ่งสามสีขวบเนี่ยวิ่งเล่นในบ้านปรากฏว่าวิ่งไปชนกระจกเข้าตึง้งดังสนั่นทั้งบ้านเด็กร้องโอยเลยแม่ได้ยินก็ตกใจวิ่งมาหาคิดว่าจะมาปลอบลูกลูกตั้งสติได้บอก ยกมือบอกแม่ไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวผมนั่งสมาธิก่อนนั่งสมาธิดูนะตาล ม, มหายใจไปนะแล้วก็ดูแล้วก็รู้เออความปวดค่อยๆคลายไปคลายไปคลายไปเด็กเห็นเลยไอ้ความปวดมันมันมาแล้วก็ไปก็สงบได้อันนี้เดี๋ยวเข้าฉลาดนะแล้วแม่เขาก็คงสอนดีด้วยแต่เดี๋ยวนี้เราแม่หลายคนก็เจอเด็กแบบนี้ก็ไปโอบไปโอบ หรือบางทีไปไปบอกเด็กว่าไม่เจ็บไม่เจ็บเจ้าของโรงเรียนดูบายคนหนึ่งโรงเรียนหนึ่งเขาสอนให้เด็กมีขี่จั ก, กรยานเด็กขี่จั ก, กรยานแล้ว ก, ก็ก็ต้องมีล้มบ้างไงนะจั ก, กรยานเพ่สองล้อบาง3ามล้อบางจั ก, กรยานล้มแม่ก็รีบเข้าไปหาบอกไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บคือพยายามไปให้เด็กเนี่ยไปติเสธความรู้สึกของตัวเอง มันจะดีกว่าถ้าเกิดว่าเออให้เด็กเขาลองดูความรู้สึกของเขาว่ามันเจ็บแล้วมันเป็นยังไงให้เด็กเข้าก็ฉลาดที่จะเรียนรู้ได้แตจนทีนี้เรากลัวเรากลัวเด็กลําบากเจ้าของโรงเรียนนี้บอกว่าตอนหลังเนี่ยพ่อแม่บอกว่าโรงเรียนไม่ต้องออให้เด็กขี่จักรยานแล้วนะกลัวเด็กล้มก็เลยเรียกว่าเด็กก็เลยไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ในสิ่งที่มันเป็นเรื่องท้าทายตัวเองขนาดจักรยานก็ไม่ให้เด็กขี่กลัวเด็กล้ม ลมไปมันจะเป็นอะไรไปมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เขาต้องเรียนรู้ข้อสำคัญคือว่าล่มไปแล้วต้องรู้จักเรียนรู้เรียนรู้ว่าจะต้องระวังตัวอย่างไรบ้างหรือเรียนรู้ว่าจะดูใจอย่างไรเด็กเขาฉลาดนะะั้นถึงบอกว่าเรื่องพุทธศาสนาหรือเรื่องของชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นสากลมากคาสอนหรือว่าธรรมในพุทธศาสนาเนี่ย เป็นคำสอนที่เปิดกว้างสำหรับทุกคนไม่เฉพาะผู้ใหญ่เด็กก็ได้ยิ่งในสาพุทธกาลนี้เนนบลุอรหันต์นี่ก็หลายรูปรูปหนึ่งที่เคยเล่าให้ฟังก็คือที่กำลังบินธบาตาพระสารีบุตรไปเห็นชาวนาขายน้าเข้านาเห็นช่างไม้กำลังดัดไม้เห็นช่างธนูกำลังดัดธนูก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาแล้วเหลาละ่ะแล้วบัณฑิตละ่ะควรจะทาอะไรบัณฑิตก็ต้องฝึกตนเสร คนอื่นเขาไปไปดัดสิ่งภายนอกไปจัดการสิ่งภายนอกแต่ว่าบัณฑิตนี้ดัดแปลงหรือจัดการตัวเองภาวนาก็ไปจัดการกับน้ําช่างไม้ก็ไปจัดการกับไม้ซึ่งเป็นสิ่งนอกตัวนะแต่ว่าบัณฑิตนั้นเนี่ยไม่ได้ทําสิ่งนอกตัวแต่ทําสิ่งที่เป็นตัวเองก็คือจัดการฝึกตนให้ให้ดีเพราะได้คิดแบบนี้ก็กลับไปภาวนาแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันในขณะที่พระไซรุบด นะเดินกลับมาถึงวัดพอดีธรรมะในพุทธศาสนาสามารถจะเป็นประโยชน์แลวเข้าถึงได้กับคนทุกวัยไม่ว่าผู้ใหญ่หรือเด็กตลอดทั้งผู้ชายและผู้หญิงรวมทั้งแม้แต่คนโง่ก็สามารถจะบรรลุธรรมได้อย่างจุลปันทกเนี่ยเป็นพระที่ขึ้นชื่อว่าโง่มากพี่ชายนี่ฉลาดมากแต่ว่าจุลปันทกนี่โง่มาก ให้ท่องแค่ประโยคสประโยคหรือว่าคาถาสีบส่บทสี่บรรทัดนี่ท่องไม่ได้ 3- าสเดือนก็ท่องไม่ได้ไม่ใช่แกล้งนะไม่ใช่ขี้เกียจนะแต่มันท่องไม่ได้จริงๆพี่ชายก็เลยไล่ออกไปบอกว่าพราะมีนิ ม, มนต์ไปฉันชีวากาโมารพัฒนิ ม, มนต์พระทั้งวัดไปฉันในบ้านนิ ม, มนต์ไปแต่บอกว่าพี่ชายบอกว่าจุลปันูกไม่ต้องอะ่ะเฝ้าวัดไปแกก็เสียใจท่าทางจะร้องไห้ด้วยคิดอยากจะสึก เพราะว่าชีวิตนี้คงหมดหวังพระพุทธองค์เห็นพระองค์คงมียานอย่างเห็นว่าจุลปันตกเป็นผู้ที่มีอินทรีย์จะเป็นผู้ที่มีจิตใจในโน้มไปในทางธรรมะได้ก็เลยบอกว่าให้ทําสักอย่างหนึ่งนะทำอะไรเหรอก็ให้รูปผ้าขาวผ้าขาวพืนเล็กๆให้รูปไปนะแล้วก็บริกรรมไปด้วยว่าละโชหรลานางังละโชหลาาัลนังละโชหัลานังเป็นภาษาเบรดแปลว่าผ้าพื้นฝุ่น รูปไปรูปไปไม่ต้องทำอะไร อ, อื่นนะรูปไปอยู่นั่นแหละจุลปันตกก็ทําได้สิเพราะไม่ต้องใช้วิธีการท่องจำนะให้รูปผ้าเช น, นาใครๆก็ทําได้รูปไปรูปไปผ้าขามก็เริ่มคล้ําเริ่มคล้ําเริ่มคล้าอันนี้จุลปันตกก็ระหว่างที่รูปเนี่ยจิต ก, ก็เป็นสมาธิและเมื่อเห็นผ้าที่มันคล้ําเพราะว่าเปื้อนเหงือ่อเปื้อนฝุ่นเนี่ยก็ได้เห็นแล้วโอ้สังขารมันไม่เที่ยงนะของที่มันเคยขาว บัดนี้มันหมองคล้ำไปแล้วเห็นความเป็นอนิจจังเห็นถึงความไม่เที่ยงเห็นถึงความที่ไม่น่ายึดถือเราพิจารณาต่อไปว่าผ้าขาวมันดำได้เพราะฝุ่นคล้ำเพราะฝุ่นก็เหมือนใจคนเราซึ่งเคยผ่องใสสะอาดแต่มันคล้ำเพราะมีกิเลสมีราคะโทสะโมหะเข้าไปเห็นอย่างนี้เนี่ยก็เกิดความสลดสังเวชมนะว่าเกิดความสังเวชในที่นี้ห ม, มายถึงาการได้คิดรู้จักปล่อยวาง ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงมันไม่น่ายึดถือเลยเท่ปล่อยวางบรรลุธรรมทันทีนะเป็นพระรหันต์ขนาดคนที่โง่ที่สุดก็สามารถบรรลุธรรมได้และทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องการปฏิบัตินะก็คือการดูใจการฝึกดูใจเห็นถึงความแปลเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงของใจและสิ่งที่เราทํานี่มัน ก, ก็เดินตามแนวนี้แหละนะก็คือเป็นเรื่องของการฝึกดูจิตดูใจเพียงแค่การดูใจนะ มันก็มีผลได้เยอะแล้วเห็นความเป็นไปเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตสิ่งเหล่านี้แหละธรรมชาติของจิตก็จะเปิดเผยคาตอบให้เราได้เข้าใจความเป็นจริงหน้าที่ของเราคือการพัฒนานะการพัฒนาจิตใจของเราโดยเอากายเป็นฐานเราไม่ใช่พัฒนากายนะกายนี่มันก็เพียงแต่ว่ารักษาให้ให้มีสุขภาพดีแต่ว่าเอากายนี้เป็นฐานเหมือนกับเรือเป็นเรือเพื่อที่จะ เป็นพาหานะสําหรับการพาเราข้ามฝั่งมนุษย์เราเนี่ยรนะ่างกายของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแ ป, แปลงได้ไม่เท่าไหร่แล้วล่ะเพราะว่าถูกกําหนดมาอยู่แล้วถูกกาหนดโดยอะไรก็ถูกกาหนดโดยยีนถูกกําหนดโดยสายเลือดของพ่อแม่ร่างกายของคนเรามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้มากถึงแม้ว่ายุคนี้จะมีการผ่าตัดเสริมทรงมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้มากแต่ใจของเราเนี่ยพัฒนาได้มากมายสามารถพัฒนาได้ไม่มีกีดจํากัด เราเกิดมาทั้งทีเนี่ยนะก็ควรใช้โอกาสในการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยพัฒนาจิตใจของเราให้เกิดการเลื่อนขั้นทางจิตปัญญาพูดอย่างนี้นี่หลายคนก็ไม่เข้าใจเพราะไปคิดว่าเกิดมาเพื่อใช้กรรมอันนี้เป็นความเข้าใจของคนไทยจํานวนมากว่าเกิดมาเพื่อใช้กรรมที่จริงไม่ใช่นะอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะเกิดมาเพื่อใช้กรรมแต่ส่วนนึงคือเกิดมาเพื่อสร้างกรรมใหม่ กรรมหมาในที่นี้คืออะไรก็คือการพัฒนาตนให้เจริญก้าวหน้าคนเราถ้าไปคิดว่าเกิดมาเพื่อใช้กรรมเนี่ยมันก็ไม่มีความคิดที่จะพัฒนาตนและเดี๋ยวนี้เราก็มีความคิดว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับเราเป็นเพราะกรรมเก่ามีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นมากบางทีพระบางลูกก็สอนอย่างนี้คนที่เป็นอาจารย์กรรมฐามบางทีก็สอนอย่างนี้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเป็นเพราะกรรมเก่าทั้งนั้นแหละที่ป่วยนี่ก็เพราะกรรมเก่าในอดีตชาติ ที่เป็นโลกนี่ก็เพราะกรรมเก่าอะไรอะไรก็อ้างว่าเป็นเพราะกรรมเก่าตลอดอันนี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องเพราะว่าพุทธเจ้าตรัสว่าลัทธินอกพุทธศาสนามี3อย่างอันที่หนึ่งคือความเชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเป็นเพราะกรรมเก่าในอดีตชาติวาทะหรือทฤษฎีนี้เรียกว่าปุเพกะตะเหตุวาาก็ไม่ใช่พุทธศาสนานะลัทธิที่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าสุขหรือทุกข์ ไม่ว่าดีหรือไม่ดีเป็นเพราะกรรมเก่าในอดีตชาเนี่ยไม่ใช่หรือความเชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเป็นเพราะเทวดาหรือเพราะพระเจ้าอันนี้เรียกว่าอิสตระนิมมานเหตุว่าก็ไม่ใช่พุทธศาสนาหรือความคิดที่ว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเป็นไปโดยบังเอิญอเหตุตัวอปเจาว่าก็ไม่ใช่ไอข้อแรกนี่สําคัญมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราไปเหมาหมดว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะกรรมเก่า แล้วเราจะอธิบายได้ไงเวลาเราเดินทางรถติดนี่เป็นพ่อกรรมเก่าตอนไหนหรือเปล่าชาตที่แล้วเราไปไปขวางทางเขาหรือเปล่าทางนี้เราเลยต้องมาเจอรถติดไอรถติดนี่มันไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องของกรรมของของเราเลยนะแต่มันเป็นเรื่องเหตุปัจจัยต่างๆมากมายคนเราเวลาอยู่ในที่ที่มันร้อนแล้วเหงื่อออกถามว่าเหงื่อออกนี่เป็นพ่อกรรมเก่าหรือเ่าหรือเป็นพ่อกรรมในปัจจุบันหรือเปล่าก็ไม่เชิงแต่มันเป็นเพราะอากาศเป็นเพราะสิ่งแวดล้อม แต่ถ้าเหงื่อออกเพราะตื่นเต้นนี่เออนี่เป็นเพราะกรรมแต่ว่าถ้าเหงื่อออกเพราะว่าอากาศมันร้อนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเป็นพระอุตุนิยามอุตุนิยามก็คือกฎธรรมชาติที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศแล้วตรงนี้เนี่ยเราต้องทําความเข้าใจให้ดีนะเพราะถ้าเราไปคิดว่าทุกอย่างเป็นเพราะกรรมเก่าเนี่ยเราเกิดมาเพื่อใช้กรรมเนี่ยเราจะไม่มีทางพัฒนาเลยแล้วเราเห็นคนอื่นเขาทาดีเนี่ยเราจะคิดว่า มันเป็นพอ ก, กรรมเก่าเหมือนกันนะอย่างที่พูดถึงว่าสามีต้องดูแลภรรยาที่เป็นโรคไตาวายต้องเช็ดขี้เช็ดเดยื่อป้อนข้าวอาบน้ําเปลี่ยนผ้าหนาไม้ให้คนบางคนก็บอกว่าเนี่ยเป็นพอ ก, กรรมเก่าชาตินี้ก็เลยไม่ต้องมาใช้นี่เมียคิดแบบนี้เนี่ยเป็นอกุศลนะแทนที่เราจะมาว่าเออเขาดีนะเขาอุตส่าห์เสียสละช่วยเหลือภรรยานะเขเป็นคนเสียสละเขเป็นคนมีน้ําใจ ถ้าเรามองแบบนี้ก็เราก็จะเห็นว่าเขาเป็นคนที่น่าชื่นชมและนี่แหละคือการทํากรรมใหม่การที่ช่วยเหลือคนไข้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่ากําลังใช้กรรมที่เคยทําในอดีตชาติแต่กําลังสร้างกรรมใหม่คือการเสียสละ ก, การเสียสละเพื่อผู้อื่นไม่มีความเห็นแก่ตัวและสิ่งเหล่านี้แหละมันก็จะทําให้เกิดเป็นเป็นกุศลในภพหน้าก็ได้นะหรือว่าเพื่อทําให้จิตใจหมดความเห็นแก่ตัวก็ได้ การเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะถือว่าเป็นเป็นภพภูมิอันประเสริฐเทวดาเมื่อเมื่อจะจุดติจุตินี่คือดับนะไม่ใช่เกิดนะจุดตินี่คือดับ clues, เทวดาเมื่อจะจุดติมันก็จะขอพรว่าขอให้ได้ไปเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์นี่คือสุขติภูมิของเทวดาเวลาเทวดาจะจุดติเพื่อนๆนที่เป็นเทวดาด้วยกันก็จะอวยพรว่าขอให้ไปเกิดเป็นมนุษย์นะหมายถึงให้มาเกิดเป็นมนุษย์ WOW. เพราะว่ามนุษย์นี่เป็นภพภูมิที่สามารถที่จะสร้างความดีได้ ให้พัฒนามากขึ้นภพภูมิอื่นเป็นภพภูมิที่เรียกว่าสวยกรรมกรรมดีก็าตามกรรมชั่วกว็าตามแต่ภพภูมิมนุษย์ไม่ใช่แค่เสวยแต่สร้างใหม่ด้วยจะสร้างดีหรือสร้างไม่ดีก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยที่เรามาปฏิบัติเนี่ยนะก็คือการสร้างกรรมใหม่นะเป็นการสร้างกรรมใหม่คือการพัฒนาตนนะโดยเฉพาพัฒนาเรื่องจิตใจแล้วก็วิธีการก็คือการดูจิตของเราเนี่ยเป็นหลัก การดูจิตเห็นความเป็นไปของใจเวลามันมีความโกรธเกิดขึ้นก็รู้นะเวลามันมีความเพียงแค่ตัวเกิดขึ้นก็รู้ไม่ใช่ห้ามไม่ให้เกิด น, นะแต่ว่าเพียงแค่รู้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกตัวเพียงแค่รู้มันก็ละได้รู้ในทางโลกเนี่ยรู้แล้วเนี่ยอาจจะเกิดความหลงตัวลืมตนว่าฉันเก่งแต่ถ้ารู้ด้วยสติโดยเพราะสติปัฏฐานคือรู้กายรู้ใจเนี่ยมันทำให้ละได้ มันทำให้ความรู้สึกหรือความสาคัญบั่นหมายว่าเป็นตัวกูเนี่ยมันหมดไปมีตัวกูเมื่อไหร่ถ้าไม่มีสติเมื่อไหร่ตัวกูก็ปรากฏแต่ถ้ามีสติเมื่อไหร่ตัวกูมันก็หายไปอันนี้ก็อยากจะให้เราได้เข้าใจนะว่าพุทธศาสนาคืออะไรธรรมะในพุทธศาสนามีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรแล้วว่าการที่เรามาปฏิบัติที่เพื่ออะไรนะถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ย การปฏิบัติของเรามันก็จะมีทิศมีทางเรียกว่าเป็นธรรมานุธรรมปฏิบัติธรรมานุธรรมปฏิบัติคืออะไรก็คือการปฏิบัติโดยสมควรแก่ธรรมหรือการปฏิบัติโดยเข้าใจจุดมุ่งหมายให้ทานหรือรักษาศีลก็เพื่อลดความมีแกตัวภาวนานี้ก็ไม่ใช่เพื่อมีฤทธิ์มีเดชไม่ใช่มีอิทธิปฏิหารไม่ใช่ทั้งเพนะแต่ว่าเพราะมันไม่ช่วยดับทุกข์ได้เทวทัศน์นี่ก็ มีอิทธิปฏิหารหลายอย่างแต่ว่าชีวิตเขาก็กลับตกไปในทางต่ำเพราะว่าหลงตัวลืมตนแต่ถ้าเกิดว่าเรามุ่งไปที่การดับทุกข์แล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรนอกจากการที่เรามีหรือเจริญสติปัฏฐานให้มีความระลึกรู้ในกายและใจอย่างตอ่อเนื่องอย่างสม่าเสมอตนกระทั่งกิเลสมันเข้ามาครองใจไม่ได้